หยุดความคิดคือหยุดสังสารวัตร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 หลายคนอาจจะเรียกว่าหลวงพ่อมนตรีนะคะมาฝากเพื่อนของเราค่ะปะกติแล้วถ้าไปกราบพระครูบาจารย์ที่ไหนที่ใดก็แล้วแต่เนี่ยนะคะของดีที่ผู้คนอยากจะได้จากพระครูบาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่าเป็นอะไรคะก็คงจะเป็นเครื่องรางของขลังเป็นพระเครื่องตะกุดยนันแล้วก็หวยที่ขายไปได้คือลอตเตอรี่เนี่ ย, <c oughs> ยต้องการ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 กล่าวในตอนเข้ารายการที่ว่าหยุดความคิดคือหยุดสังสารวัตรตรงนี้นะคะอาจารย์ค่ะหลายคนอ่านแล้วก็ยังชงนเอหยุดความคิดหยุดยังไงเรายังต้องทำมาหากินอยู่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่จะไม่ให้คิดเลยกระนั้นหรือจะทำได้ยังไงแล้วถ้าหยุดความคิดจริงจะหยุดสังสารวัตได้ยังไง จะเป็นไปได้เหร อ, อยังมีตอนต่อที่ต้องให้อาจารย์วิสัชนาล่ะคะครับอันนี้หยุดความคิดคือการหยุดสังสารวัตรอันนี้เป็นธรรมชชั้นสูงถ้าเราทำความเข้าใจตรงนี้ได้แล้วก็เราก็มีสิทธิที่จะบรรลุธรรมเบื้องสูงเลยก็ได้ก็อื่นต้องเข้าใจคําว่าสังสารวัตกกอนสังสารวัตเนี่ยคือการเรียนไหวาตายเกิด ในภพน้อยภพใหญ่ในกามภูมิเช่นเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็เป็นเทวดาเนี่ย ว, ยว่าเป็นกามภูมิก็มีรูปภูมิคือเป็นพรมแล้วก็นิพานคือกามภพรูปภพกับอารูปภพนิพานนิพน์ไปละนิพานพนไปละเนี่ยคือเรื่องของกามภพรูปภพคือ พรหมที่อาศัยรูปเป็นอารมณ์และอรูปประพบคือพรหมที่ไม่มีรูปเอาความว่างเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยคือต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่ในการมาพบรูปประพบอรูปประพบอันนี้คือเรียกว่าสังสารวัตรการเวียนไหวตายเกิดสรุปลงที่ว่าการมีตัวตนไปเกิดในภพภูมิต่างๆทีนี้การเวียนไหวตายเกิดแต่ละครั้งเนี่ยคือมีการเกิดเนี่ยมันก็ต้องมีการตายใช่ไหมถ้าเกิดแล้วก็ต้องตายเช่นเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายตายไปแล้วอาจจะเกิดไปเป็นสติลัชานหรือไปเป็นเทวดาก็แล้วแต่บุญและแต่กรรมก็คือการมีตัวเราะที่ต้องไปเกิดทีนี้ถ้ามีตัวเราไปเกิดเนี่ยเราก็ต้องเป็นทุกข์พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ล้ำไปก็ต้องเป็นทุกข์ตรงนี้แหละและทีนี้ความคิดมันเป็นการปรุงแต่งความคิดคือการปรุงแต่งปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งไปทางกิเลส ความโลภความโกรธความหลงความพอใจความไม่พอใจถูกแต่งเป็นตัวตนตัวเราของเร า, าสังเกตดูทุกครั้งที่เรามีความคิดเราขาดสติขาดปัญญาเราจะยึดมั่นถึงอไม่เอาความคิดนี้เป็นเราเป็นตัวเราขึ้นมาทันทีเลยเมื่อมีตัวเราแล้วเนี่ยความเป็นเราขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีเราดีเราเด่นเราสุขเราทุกข์ไอ้ความเป็นเราขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องแก่อยู่ดีต้องเจ็บต้องตายใช่ไห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 เป็นตัวเป็นตนเกิดมาเป็นพบเป็นภูมิของความเป็นเราขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไหมเพราะงั้นการปรุงแต่งเนี่ยก็คือความคิดที่ปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาถ้าเราหยุดระงับไอ้ความคิดที่ปรุงแต่งว่าเป็นตัวเราเสียได้เท่ากับเป็นการตัดสังสารวัตรการเวียนว่าแต่เกิดทั้งหมดเลยทีนี้ภาษาคนก็บอกว่าหยุดหยุดหรือห้ามคำว่าหยุดหยุดดูไม่ถึงห้ามที่จะ ทำในสินัแต่ในภาษาธรรมคือว่าหยุดเนี่ยหมายถึงหยุดปรุงแต่งหยุดปรุงแต่งว่าเป็นตัวปตนของเราเราสามารถที่จะคิดได้คิดได้แน่นอนนะคะอันนี้ตอกย้ากันให้ชัดเจนเลยนะคะว่าหยุดความคิดไม่ได้แปลว่าห้ามคิดห้ามความคิดหรือว่าเออเออไปเลยนะคะหยุดความคิดได้ หยุดความคิดที่ปรุงแต่งก็เป็นตัวเราใชหยุดเฉพาะความคิดปรุงแต่งว่าเป็นตัวเราของเรารแต่ยังใช้ความคิดในการใช้ชีวิตตามปกติได้ไม่ว่าในเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวใช่ไหมคะอาจารย์ครับค่ะเนี่ยเพราะว่าเราสามารถหยุดความคิดปรุงแต่งเป็นตัวตนได้แล้วก็ต้นตอของ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 คอรู้เท่าวันนั้นคือจิตมันปรุงแต่งแล้วเอาใครก็อยากมีบ้านสักหลังหนึ่งเป็นของตัวเองอ่ะนี่เราอาจารย์ลองเล่าสิคะว่าถ้าเราอยากจะมีบ้านสักหลังเป็นของตัวเองเนี่ยมันเป็นความคิดปรุงแต่งไหมคะก็แน่นอนอ่าวก็ถือว่าเราก็ไม่ต้องคิดจะมีบ้านเป็นของตัวเองนั่นคือความคิดแต่ว่าในความคิดนั้นถ้าเรามายึดมั่นถือมั่นว่าไอ้ความคิดนี้เป็นเราเนี่ยค่ะการปรุงแต่งเป็นตัวตนจะไม่เกิดขึ้นเลยอ๋อนี่เป็นเพียงความคิดเราสามารถที่จะทําตามความคิดก็ได้พอสมควรเพราะว่า ปัจจัยสีเนี่ยทุกคนต้องมีไว้คะที่อยู่อาศัยก็มีได้คิดได้แต่ว่าต้องรู้ว่าอันนี้คือความคิดปรุงแต่งนะเป็นความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมาให้รู้ทันพอ ร, รู้ทันเนี่ยตัวตนในตัวนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นเราสามารถทําตามความคิดกันนะไปซื้อบ้านไปปลูกบ้านแต่รู้ตักกระบวนการที่เรากําลังทําอยู่อย่างมีสติอย่างเช่นว่าเอาที่ว่าชัดเจนคือเราคิดจะทําความดีเนี่ ย, ยเช่นว่าเราจะถือศีล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 ไม่ประทุษร้ายคนอื่นไม่สร้างเวรสร้างไปก็ทําไปแต่ในความที่คิดแบบนั้นเนี่ยให้เรารู้ทันว่าอ๋อนี่คือความคิดคือการกระทําแตกแต่ว่าธรรมดาอย่างนั้นโดยเตไม่ยึดมั่นถือมันว่าเป็นตัวเราการกระทําที่คิดแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนไม่เบียดเบียนตัวเราเดือดร้อนสมวมากจะเป็นการกระทําที่ปลอดภยัยตัวตนเนี่ยจะลดลงมากเลยอย่างเช่นเวลาเรากราบการกราบ ดูเหมันจะมีตัวตนกับการกราบแต่ว่าการกราบที่จริงนั้นเป็นการอ่อนน้อมการอ่อนน้อมยอมเนี่ยนะถ้าเป็นการลดละมรณาทิฏฐิตัวตนลงไปเยอะเลยเพรา ะ, ะนั้นธรรมะขั้นดีว่ามีตัวตนหรือไม่ในอารมณ์แบบนั้นในความคิดแบบนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาถ้าแยกแยะถ้ามีตัวตนในการกระทําแล้วก็มันจะหนักอึง้งจะมีความหวังมีความมุ่งหวังแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นการทําอะไรก็ตาม ทุกคนย่อมมีความหวังทุกคนต้องการประสบผลสําเร็จแต่รู้ทันว่าจิตมันคิดที่จะหวังแล้วก็ประสบผลสาเร็จพอรู้ว่าจิตคิดแบบ น, นี้แล้วเนี่ยมันจะมีความยึดมั่นถึงมัน่นน้อยลงมากถ้าไม่ได้ง ใ, ใจหวังเนี่ยอ๋อนี่คือธรรมดานะมันจะเริ่มมีสติปัญญาเข้าใจแยกแยะถ้าเราไม่มีสติเรายึดมั่นถือมัน่นต้องได้งใจหวังต้องไอ้คําว่าต้องเนี่ยมันเป็นปัญหาที่บวกกับความยึดมั่นถึงมัน่นแล้วก็เป็นตัวโมหะทุกข์ก็จะตามมาเมื่อสิ่งนั้นไม่ได้ในในใหวัง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 แต่อย่าไปยึดติดว่าโอ้เราเป็นครูถ้ามีตัวเราเป็นครูขึ้นมาแล้วก็ถ้าเด็กไม่ดีที่เราคิดแล้วก็เราจะเป็นทุกข์เลยเพราะเราทําไม่ดีเด็กจริงไม่ดีอย่างนี้นะถ้าเอาอ๋อเป็นหน้าที่นะก็สอนไปบางทีผลอาจจะไม่เป็นตามที่เราคิดก็ได้อ้อต้องเข้าใจเราไม่มีตัวเราที่เป็นครูจริงๆหรอกเนี่เป็นเพียงแค่สมมุติเป็นหน้าที่ใครมาตําหนิว่าครูไม่ดีเอเราก็ไม่ใช่เป็นครูจริงๆ อความไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับอาจจะเป็นความบวกพร่องเราจะรู้ถท่าไม่ถึงการมันก็ไม่ใช่ตัวเราที่จะไปเป็นสิ่งนั้นด้วยเพราะนั้นการปรุงแต่งที่เป็นตัวตนนี่แหละมันก็มาจากเรื่องของความคิดที่ขาดสติมันเป็นธรรมะที่ฟังลำบากหน่อยเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันต้องมีตัวตนเสมอเสมออยากจะใช้คาพูด <c oughs> ที่ว่า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 ไอ้ความคิดเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์นะการปรุงแต่งว่าเป็นตัวเราเนี่ยเป็นทุกข์นะต้องเข้าใจในส่วนนี้ซะก่อนอยู่ในโลกจกนกระทั่งเอียนและทุกข์นะจึงคิดที่จะออกจากโลกโดยการเมียบมาปฏิบัติตามแ้วมีสติปัญญาทําความเข้าใจแล้วก็มีสติปัญญาที่จะละวางตัวตนซะนั่นคนที่ไม่เห็นทุกข์เห็นโทษต ร, ตรงนี้แล้วก็มันก็ทะเลาะกันเลื่อยไปแหละใย่ค่ะอย่างนี้จะได้ไหมคะว่าคนที่จะเข้าสู่วิถีของการหยุดความคิด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 กลายเป็นผู้ดูเอ๊ะเป็นผู้ดูในความโกรธจิตมันสบายไม่ได้เข้าไปเป็นผู้โกรธมันก็ผ่านลงนี้ได้อ๋อความโกรธจะเป็นทุกข์นะเห็นทุกข์เห็นโทษของอารมณ์จึงไม่อยากเข้าอยู่ในความคิดคิดทุกครั้งยึดมั่นทุกครั้งเป็นทุกทุกทีจนทั้งอยากหนีอยากออกตรงอยากออกอยากหลุดพ้นเนี่ยมันก็เป็นการปรุงแต่งที่จะอยากเป็นตัวตนที่จะอยากจนงั้งทําความเข้าใจแล้วลองสังเกตดูเห็นบ่อยๆเห็นทุกข์เห็นโทษบ่อยๆเนี่ย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 การปรุงเป็นตัวเราแต่ละครั้งเราก็เจ็บทุกทีปรุงทีไรเจ็บทุกทีทุกทีไรเราก็เจ็บทุกทีจนกว่าจะเบื่อหลายแล้วก็อ๋อไม่เอาละไม่เอาละปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันผ่านไ ป, รปเรามีหน้าที่ทำแล้วก็ทำไ ป, ส ร, ปสรุปว่า <c oughs> ที่เรายังคงเป็นทุกอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะว่าเราเนี่ยคิดผิดถ้าคิดเป็นก็จะเห็นธรรม